วันนี้เป็นวันออกพรรษาพ้ะจันพรรษาสามเดือนเนระทีสิ้นไรมาดแล้วก็เลยออกพรรษาออกพรรษาคล้ายๆกันก็ว่าวันนั้นเป็นวันสิ้นสุดของการทำกมดีแท้ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าออกพรรษาแล้วก็ดีโยมกลมเนกัดบางทีพระเข้าพรรษาก็เลยเข้าด้วยคือรักษาสิ้นห้าสิ้นแปดจะจำเวลาออกพรรษาก็ได้ออกไปตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น น, นั้นความเข้าใจคิดต่งางๆเข้าพรรษานั้น หมายความว่ามาทำควบดีในระยะสามเดือนนั้นให้จิตใจแน่วแน่เต็มที่จะได้ความเข้าใจสักเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มที่ใชในระหว่างสามเดือนนั้นเมื่อออกพรรษาไปแล้วจะได้ไปใช้เอาจิตอันนั้นกําลังจิตอันนั้นไปใช้ไม่ใช่ว่าเลิกทํา ไม่ทำต่อไปถ้้จริงเขาทำอยู่ต่อไปแล้วเนะ่ยในระยะสามเดือนนั้นมีโอกาสได้ทำความดีมาตั้งอกตั้งใจทำสมาธิก็ดีจะรักษาศีลก็ดีจะเจริญนิพพานอะไรก็ตามเถอะความดีทั้งปวงมดเ น, นี่ยนะ น, นั่นยิงจะถูกต้องความดีนั่น เราทำไม่มีที่สิ้นสุดอาหากยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานตราบใดก็ยังทำล่ำไปถึงแม่ท่านได้สาเร็จมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็ยังจเจริญ อ, อยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อท่านสิ้นสุดคือไม่ดับขันท่านก็ยังทำนิล่ำไปอันนี้พวกเราจะทำทำความเพียรทำความดีเล็กแต่น้อย ทำไมจะไปชินสุดง่ายเหลือเกินนักศึกษาที่พากันมาอยู่เหมือนกันในระยะเจ็ดวันมีโอกาสน้อยที่สุดทำความดีจะรักษาสินหัก็เอารักษาสินแตก็เอาอันนั้นเรียกว่าเพียงรักษาสินเราไม่เคยรักษา ความรักษาศีนเสีย ใ, ให้ศีลนั้นติดตัวของเราไปอย่างน้อยที่สุดก็ให้มีสักตัวหนึ่งเอาติดตัวไปให้มันได้ให้มันมนั่นคงไม่ใช่มารักษาศีลเจ็ดวันแล้วกลับไปทิ้งวัดอันนั้นไม่ใช่ให้ได้จริงๆได้สักตัวหนึ่งให้ได้จริงๆ จึงจะเป็นบุญจึงจะเป็นกุศลอันนั้นเนี่ยจะนําตนไปสู่สุคติความชั่วอย่าไปเร็วความชั่วเล็วไหลจะไปทํามันความชั่วคือบาปบาปท่านเรียกว่าความชั่วความชั่วนี้ตัวของเราก็รู้ตนเองคนใดทําลงไปต้องรู้ตนเอง ถึงแม้ขโมยทาก็รู้อันทั้งผ่านทำก็รู้เหมือนกันมันแปลกเหมือนกันนะความชั่วมันทาลงไปแล้วรู้ตัวดีๆแต่มันอดไม่ได้กิเลสบังคับโทสัมมานะทิฏฐิเอ็นบังคั บ, าา บ, คบให้กระทำความชั่วบางทีคนทําชั่วแล้วภายหลังก็รู้ตัวร้องไห้ร้องผมก็มี ความชั่วนั้นให้หมายความว่าปาโป่คือบาปพูดทับศัพท์ปาปาปาคือบาปนั้นพูดทับศัพท์แต่พูดทั้งเรื่องภาษาบ้านเราปาปาคือความชั่วปาปาคือความเลวไหลปาปาคือของไม่ดีปาปาคือของสกปรกทําแล้วมันสกปรกปาปา นักปาาทั้งหลายท่านรู้แล้วนักปาาทั้งหลายท่านไม่สันสุกแม้แต่คนโง่ก็ยังติตนได้อันนั้นเรียกว่าบาปเมื่อกลับไปแล้วนะอย่าทําบาปอันที่ว่านี่แหละอันนันมันจก็ปรกอันนั้ม น, น, นมันเจะเทเล้ยวไหลอันนั้นมันไม่ดีไม่งาม ันสิ่งที่เราเห็นนั่นนะ่ะไม่ดีไม่งามแล้วให้ละใี่หใหมบรรดความชั่วทำไปแล้วมันม้วหมองตัวเองในเมื่อชีวิตมียังมีอยู่มันก็รู้ตัวเองแต่เมื่อตายไปแล้วก็เศร้าหมองนั้นล่บไปทานี้บุญเลยอยากรักษาศีลสักตัวเดียวเท่านั้นนะ เราไม่ครบทั้งห้าก็เอาเอ า, เอาเท่ก่อนเอาตัวเดียวถ้าก่อนทำมันไดเราทำแล้วเราปลื้มใจเราอิ่มใจดีใจอันนั้นเรียกว่าบุญเราไม่มองเห็นความชั่วของตนความชั่วของตนไม่มีในใจไม่มีในตัวของตนแล้วก็อิ่มใจปลื้มใจปีติเกิดขึ้นในตัวของตนนั่นแหละเรียกว่าบุญหานนี้ เมื่อบุญของเรามีแล้วความอิ่มใจปีตีบังเกิดขึ้นในเรื่องนั้นก็เป็นสมาธิในตัวจิตไม่กังวลเกี่ยวไม่ขัวภายไม่เดือดร้อน้เาเป็นสมาธิแล้วในตัวแล้วนะส่วนปัญญามไม่ค่อยเกิดที่หลังหอกที่หลังไม่จะเกิดความรู้ขึ้นมาอ๋ออย่างนี้เองอะเชนเราทำความดีมันมัน เ, เหตุนี้ได้ความสุขอย่างนี้เองเกิดความรู้ขึ้นมาแน่นอนอันนั้นคือตัวปัญญาในทางพูดถึงเรื่องปัญญาที่วิปัสสนาเราพูดปัญญานั้นใช่ก่อนอันนี้เป็นสิ่งเบื้องต้นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนานนเราจะต้องอบรมสิ้สมาธิปัญญาเบื้องต้นทีเดียวแล้วนี่เดี๋ยวนี้คนเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นต้องมีสินห้าเครื่องเครื่องอยู่ไม่ใช่ว่าสักแต่แล้วแต่จะถือคนไหนจะถืออะไรก็ตามเถอะถืออย่างนั้นนั้นยังไม่ทันถูกยังไม่เข้าหลักสินสมาธิปัญญาพระองค์เทศนาไว้อย่างนั้น ต้องมีขอเบเขตจำกัดคนที่เป็นพุทธบริษัทจริงๆอย่างจังมีสิทธานี่แหละเป็นเครื่องบังคับไม่ว่าศาสนาใดๆเขาต้องมีข้อบังคับนันทั้งนั้นนะแต่พุทธศาสนาของเรานั้นมีข้อบังคับแต่คนถือไม่บังคับตนเองคือบังคับจิตใจของตอนกายวัจายใ จ, ใจของตอนนั่นเอง การปล่อยไว้ไม่มีขอบเขตเนะครับเละเอะเทอะเลี้ยวไร ห, หมดเหตุ น, นั้นพุทธศาสนาเพียงศาสนิกชนจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาได้ถือตามอธรรมของตนแล้วแต่จะถือไม่เข้าขอบเขตของพุทธศาสนาอันนี้เรื่องหนึ่งที่วันนี้เป็นวัน ออกพรรษาพากันมีคือมีพากาถือคติจากนี้อีกในหนึ่งออกพรรษาแล้วอยากเข้าใจว่าความดีเราทำม่ไรให้เข้าใจว่าทำได้ทุกเมื่อเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาที่เราเกิดขึ้นมานะ ความตายมีแทบทุกคนในเว้นแต่ละคนเราให้พิจารณาถึงความตายของตนความตายนี่เป็นกรรมฐานอย่างดีที่สุดทุกคนมันต้องมีความตายอย่างน่นจาจับจะไปเลือกกรรมฐานบทใดบทใดมันไม่ดีเท่าเลยมันนาโ น, านจติหรอก แต่หากคนพิจนาไม่เป็นไม่ถึงความตายพิจนามัณนะสติต้องพิจนาอย่างนี้ความตายของคนเรามันไม่ใช่ตายแต่ลมหายใจเขาออกหมดไปเท่านั้นมันตายไปโดยดำดตั้งแต่ตายจะอยู่ในครนภของเรา แต่เราอยู่ในคันพิจารณาความแก่ก่อนพิจารณาความแก่ของความแก่ของตายอันเดียวกันนะันแหะเราไอขันแก่ค่อยๆคลอดออกมาแล้วก็มันก็แก่ขึ้นมาจะเป็นเด็กแก่ข้มาโดยน้ำหนักแก่มาจนกระทั่งเป็นคนแก่ที่เรียกว่าคนแก่คณงอม ผมขาวอะไรต่างๆเนื้อหนังซูบซีดนต่ใเรี้ยวคนแก่เดี๋ยวนี้คนไม่เห็นแต่แก่เปลี่ยนเงินเนื้อหนังซูบซีดลงไปเด้นพร้อมแข่งลงไปนั่นแนหะผมขาวเนี่ยก็เห็นเป็นคนแก่ไม่เห็นความแก่ของตนตั้งแต่เกิดมาตั้งที่อยู่ในครัง์แคนี้นเรียวพิจารณาคนแก่เรามาเรียนความแก่ให้รู้เรียนเรื่องความแก่ให้รู้อย่างนี้แหละ ให้รู้ความเป็นจริงอย่างนี้แหละแกมาก็ทั่งจนค่อมจนงอมจนหลังคดหลังงอนั่งนอนอะไรก็เจ็บปวดเมื่อยมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการลำบากยากทุกสิ่งทุกประการจะกินจะนอนจะพักก่อนอะไรมันก็เน็ดเหนื่อย นั่นแหลความแก่คนที่เห็นคนแก่นั้นนักมักหลังเกียร์ดยมัดจากหัวเลาะคนแก่แคล้ายๆกับแกล้งทำความไม่จริงไม่ใช่แก้งไม่อยากเป็นแต่มันเป็นเองอันนั้นเรียกว่าเรียนก็แก่ยังมันจบบางคนอยากหัวเลาะแล้วคนเกียรคนแก่นั้นเรียนเนี่ยมันจบ คนที่แก่แล้วนะมันเป็นเองไม่ค่อยรู้ตัวสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปโดยลา ด, ดับอันนี้เรียกว่าเร็นของแก่ท่านนี้คนแก่เนี่ยค่ะ น, นี้มันมีความตายในตัวมันแก่มันจะตั้งใจอยู่ในขันเน่ยมันเปลี่ยนสภาพมาเรียกว่ามันตายมันตายจากสภาพเดิม โดยลำดับเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเรียกว่าหนุ่มเรียกว่าสาวแก่มาโดยลำดับมันเปลี่ยนสภาพคือมันตายจากสภาพนะั้นมันยังเป็นสภาพอื่นต่อมามันเป็นความตายในตัวแต่ปัญญาที่ชราก็ดีมันก็ชรามาในตัวนั่นแหละโดยลำดับนะหากพี่เจ้านยเห็นความเกิด เห็นความแก่เห็นความเจ็บมันก็เจ็บมาในนั้นเนี่ยมันอยู่ในระยะนั้นแหละมันก็พิจารณาเองความตายในตัวไม่ต้องแยกกันหรอกพิจารณาอันเดียวแล้วเหตุหมดทัานท่าพิจารณาเป็นจริงอย่างนั้นแล้วไม่ต้องสงสัยอันนั้นเองพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายต้องเปิดอย่างนั้นพิจารณาความเกิดแก่จะตายแล้วนีน้เห็นเป็นอนิจจัง มันแปลม่เก็เรียกว่าไมมันเป็นอนิจจังนั่นเองมันไม่เที่ยงของที่ไม่เที่ยงมันทนได้ยากยากที่จะทนอยู่ไม่มีใครทนอยู่ได้นั้นจะเป็นทุกขงังมันเปลี่ย น, ปนแปลงมันเดินดับไม่มีใครทนอยู่นั่นเรียกว่าทุกขงังสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ในแต่ไรไหมใครเกิดมาก็ต้องเป็นตามเรื่องตามแนวนั้นไปตลอดเวลาจนถึงที่สุด อันเดียวกว่าอนัตตาอันเดียวก็นั่นเนี่ยพิจารณาอันหนึ่งแล้วมันกพันธะหลงถึงที่สุดแล้วมันก็อันเดียวกันชาติชราพญทิวาลาก็อันเดียวกันอันนี้จ้งทุกครั้งก็ตาอนัตตาก็อันเดียวกันเราอย่าไปค้นคว้าหาสิ่งอื่นพิจารณาอันเดียวนั่นแหละถ้ามันลงถึงไอ้ควาไม่ควาแก่เจ็บตายอย่พิจารณา ให้มันเข้าถึงในอย่งไม่อยู่นอกพิจารณาออกนอกคนหานอกแล้วมันไม่มันไม่จริงหรอกให้เข้าถึงในใจของเราแห้ พ, พิจารณาเห็นเฉพาะในสิ่งเดียวพิจารณาความเกิดจะ แ, แก่เจ็บตายจะไปใหญ่โตอะไรนั้นมันไม่ลงหรอกถ้าพิจารณาความแก่เท่านั้นนะ่ะลงในสิ่งเดียวในเช่นตัวในตัวของเราเนี่แหละ อย่างเราพิจารณาก็ไอ้อย่างพิจารณากระดูกนะี่น่ะเห็นกระดูกนั่นแต่เบื้องต้นมันก็ของอ่อนค่อยแข็งขึ้นมาจนกระทั่งใช้ไปใช้่ไปชํารุดชุดโทมมันก็กระทั่งผุกพังไปแล้วพิจารณาเนื้อไงพิจารณาเนื้อเดียวเท่านั้นอนะ่ะก็เป็นชิ้นเป็นอันนั่งของเหลวๆไรๆนานๆเข้าก็แข็งขึ้ น, นมา พอเป็นก้อนเนื้อขึอ้นมาแก่เท่าชำรุดทุตโธมไปอันเซลล์เลืเอดเซนประสาทมันก็หายไปโดยลาดับอัที่เราใส้มันก็หายไปชำรุดทุดทธมไปเลืออ่อนเพี ย, ยหมดกําลังไปอันพิจารณาเดียวเท่านั้นแนหะไม่พิจารณาอื่นหรอกพิจารณาอย่างนี้ยังค่อยถูกเพราะว่าพิจารณาผม มันก็เลยเห็นแต่ผมมันไม่ถูกเห็นแต่เพียงลงอันเดียวกันมันยังค่อยถูกธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้ง่วงขวางแต่ว่าสรุปรวมรวมแล้วค้ะมันลงถึงถึงธรรมะแล้วเป็นอันเดียวมดไม่มีไม่มีสองในธรรมะของผมมันเป็นอย่างนี้ เป็นของยากที่จะเห็นทิ้งยังไงก็เอาละเบื้องต้นอย่าอธิบายให้ฟังรักษาศินไม่ได้สองไม่ได้ไม่ได้หลายขอ้อเอาข้อเดียวเท่ก่อนให้ได้ตัวให้ได้ตัวจริงๆให้ได้ตัวศินจริงๆสินที่เราที่เรารักษานี่ยนะเรางดเว้นเราไม่ต้องไปสัมผัสกับพระก็กได้ อย่างเราต้องมาทานเนี้อเนนี่เรารู้จักแล้วว่าศีลคือข้อหนึ่งคือว่าไงข้อสองสามว่าไงเราจำได้ให้แม่นนะรักษาศีลแน่วแน่เต็มที่มันจะเป็นสมาธิมันก็เกิดเป็นยาเองเ ม, ออมันหรอกมตจองไปคนคลัวหาอื่นมากมายทังเมื่อได้ศีลตัวหนึ่งแล้วมันทั้งมาเองเหรากของศีลนะ น, น่าจะต้องรักษาตัว ไม่ใช่เราไปรักษาสินสินนั้นคือเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วมันมีไปจําตัวของเราแล้วสินรักษาตัวเราตอนนี้คือมีให้ได้อดตบไม่กล้าทำบาปกลัวบาปและอายตัวบาปอันนั้นนือสินรักษาตัวจะทําก็ น, นึกถึ ง, ถงสินและอายกลัวบาปนั้นรักษาไอ้สินรักษาเรา ครั้งเมื่อสินรักษ า, าแล้วคราวนี้เราค่อยอยู่สุขสบายสินทั้งสี่ข้อนมาเองเมื่อเราอย่าไปเอามากมายเลยรักษามากมายเดี๋ยวก็ยุ่งรักษาตัวเดียวมันได้เนาะหมดเป็นอนุญาตหมดไปดีมากฉันได้สงบข้างหนึ่งแล้วนะ้นต่อไามันมันชอบใจ มันก็อยากจะทําอยู่เสมอแต่ที่จะรักษาไว้ได้นั้นมันยากอยู่เคลมิลไปยอย่างหนึ่งซึ่งจะให้มันเหมือนกันกับเราศึกษาเราเรียนนั่นไม่เหมือนอออออการปฏิบัติถ้าเราอยากได้มันไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ไม่อยากได้ก็ไม่ได้มันยากอยู่เหมือนกันนะ เวลามันจะเป็นจิตมันจะสงบมันจะรวมลงไปได้มันไม่คิดหรอกมันที่จะให้เป็นนะครับแต่มันเป็นเองมันเป็นเองแล้วก็รักษามีสติควบคุมจิตมันตรงนั้นที่มันเป็นนั่นแหละรักษาจิตทางด้านนั้นรักษาอยู่เสมอเสมอ hard ทำอยู่เรื่อย กว่ามันถูกมันเหมาะมันสมกับเหตุการณ์ทั้งหลายนั้นนังเป็นเองคําว่าเหตุการณ์คือมันเหมาะมันสมนั้นหมายความว่าอารมณ์ของเรามันพอดีกับจิตที่เรากําหนด์นั้นมันไม่ยิ่งไม่หย่อนหมายความว่าสมาธิสติปัญญานัญนาที่เรารู้นั่นนะรู้ว่า พิจนาณาจากนั้นเน่ยมันเห็นโทษเห็นภัยเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามแล้วก็นั่นเลยเรียกกับปัญญาละทิ้งถอนเดิมำดับนันพอดีพองามกับสติกับสมาธิมันยังลงเกณนเองหมดอนดม ต, ตรงนี้แหละที่จะรักษายากที่รักษาไว้ที่รักษาไว้ยางยากจะถึงไงก็ยากนะยายก็ากตามมาเถอะจะหัดทาอยู่นั่นนะทําไปเรื่อยไป หชำนีชำนา น, ม, น, ม, น, านมันจค่อยเข้าใจคือการปฏิบัติให้เข้าถึงสมาธิมักมันต้องแต่งจึงเรียกว่ามักเบื้องต้นต้องแต่งไปก่อนเวลาเข้าถึงเวลาเข้าถึงมักจริงไม่ได้แต่งฮัทสมาธิ ก็พิจารณากรรมฐานของเราก็เหมนกันเราพิจารณาแต่งงาจิตของเรานี่แหละหัดสติตั้งมัน่นอยู่กับสติอยู่กับจิตอันเดียวนี่เรียก ว, ว่าแต่งแม่มันซัดสายไปมาที่ไหนตั้งมั่นอยู่นแน่ๆอันเดียวจะพิจารณาได้ก็เอา พิจาุทโธรืออนาปัสสติพิจาลงเข้หาใจเขาออกคือตายนั่นแหละความตายนั่นแหละพิจารณามาใจเขาออกก็คือความตายนั่นเองมานาสติกันเดียวกันนั่นแหละหรือจะพิจารณายุหน่อค้องหนอ่อพิจารณาสมาธิฐานก็ อ, อันเดียวกันนั่นแหละคือตั้งสติกำนดจิตให้มีอารมณ์เอกกตาลมให้แนว่วแนว่อันเดียว อันนี้เรียกว่าแต่งแต่งจิตครั้งเมื่อเราแต่งจิตให้มันพอดีพองามสติสมาธิพอดีกันกูไปนั่นกับพอดีกับสติสมาธิแต่วราแต่งไม่ถูกอันนะ้นพิจารณามันไปไปพอดีมางามพอดีพองามมันลงเองมหนอกอนั้นเป็นเป็นสมาธิ แดงมากกว่านี่นี่แหละแต่งมากกว่านี้แหละแต่งสมาธิกว่านนี้แหละพอมันลงเต็มมันลงเป็นเอกตาจิตเอกตาลมแล้วอยู่นั่นเจอก่อนอย่าไปแห่งพิจารณาอันนั้นอันนี้เลยให้มันแน่วแน่เต็มที่แนะก่อนขามันจะออกมันออกเองมันด อ, อกขั้นออกมันก็ค้นขัวหาเรื่องพิจารณา อารมณ์เก่าความคิดของนึกสงสัยแลาพทั้งอยางทุกอย่างของเก่าแล้วเนี่ยัมนมีสติควบคุมไม่เหมือนเมืองตน้นเมืองต้นที่เราไม่ทำสมาธิไม่มีสติสติควบคุมอยู่ขานี้มันออกมาขานีนแต่พิจารณาเรื่องอะไรก็เอามันสงสายไปตามเรื่องของมันนะอารมณ์เก่าของเก่าพิจารณาอ มันหากได้ความรู้ขึ้นมาแล้วแปลกประหลาดอย่างอัศจรรย์อย่าอธิบายฟังเรื่องว่าพิญาความตายแต่ก่อนกับพิจาณแล้วความตายเองเขตายกัหมอนล้อยเจ้าเยอะเข้าไปเลยเศร้าโศกใช้ใจอะไรก็ตามเรื่องตามเราวแต่คร า, านี้มัเปลี่ยนอย่างนั้นพ่ะย่ะพิญาเองคนตายแมันเกิดสลดสังเวช จิตใจมันแน่วแน่เต็มที่คําว่าสรดคําว่าสังเวชคือจิตมันแน่วบางคนก็เป็นไม่ได้หัดเพราะน่าก็เป็นสรดสังเวชแต่เราลักษาจิตไม่ได้รักษาจิตไม่อยู่สลดก็ว่าสรดก็เขาสังเวชก็ว่าัเวชก็เข า, เาแต่ไม่รู้จักจิตของเราเป็นยังไงครานี้ถ้าหากเรามาพิจารณากําหนดจิตอย่างที่ว่าให้ฟังมาแล้ว สลดมันสลดถึงใจสังเวชสังเวชสังใจมันจิต ม, มันน้อมเข้าไปหาตัวของเราถ้าหากมีสมาธิตรงเป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาอย่างนี้แหละมันโดยลําดับอย่างนี้แหละคือว่าตั้งสติกำหนดจิตเบื้องตน้นพิจารณาสิ่ ง, งตา่างๆ ที่เราประสบพบเห็นในขณะนั้นจงกระทั่งมันรวมลงไปเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นเอก ก, กตาลมเห็นอันเดียวพิจารณาอันเดียวจงกระทั่งลงเป็นเอกภะตาจิตนิ่งแน่วไม่พิจารณาอะไรแล้วท่มันถอนออกมาแต่ไปตามสายเก่านะเรื่องเก่านะ แต่ว่ามันมีปัญญาคือมีสติควบสติกับปัญญาเดียวกันจิตทุกขณะจะเกิดความสลดทั้งเวทสิ่งที่ควรเบือเบ่อควรหน่ายก็เบื่อหน่ายคนที่สลดทั้งเรทก็สลดทั้งเรทแต่อย่าไปทิ้งอันเมื่อพิจารณาไปแล้วต้องเข้าของเก่าอีก จิตแน่วแน่ต้องเก่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าออกเขา้าออกไปพิจารณาพิจารณานานๆ น, น, นะเข้าอย่าให้ลืมตัวให้เข้าสมาธิอีกอยู่อย่างนี้แหละฮัตจะไม่นชนิดสานานก็จะเป็นเครื่องอยู่อันดีหากว่าเราประสบพบเหตุการณ์ต่างๆดุลแรงจนกระทั่งวะ จะทนไม่ไหวก็สามารถจะสู้ได้ถ้าหาได้อย่างนี้อย่าไปทิ้งหลักอันนี้แล้วก็แล้วกันเอาทำสมาธิ